ขอคารวะท้าิกาท่านพระราดาทุรยักษ์วาสุตม์หรือพระเจ้าหลุขอวกร า, าการสาัตส์ิตท่านภรราดาและรพระเจ้าหลุยผู้ะกการมัสเสรทมกายผู้แทนสมาคมสิเกาสัมชัญสมาคมผู้ประกบครูสัมชัญและนักนเรียนทั้งหลาย อาตมารู้สึกเป็นเกียรติและทาบซู้งประทับใจคือได้รับเลื่อเทห้เป็นสิ่งเก่าดีเด่นของอาสมชันที่ว่าดีงามทราบซึ้งประทับใจก็เพราะว่าในสมชันเป็นโรงเรียนที่อาตมาผูุ่พันมาตั้ง4ีพเระว่วาจ ก็มาเป็นคนที่เรียนได้สูงนั้นะเรียนตบแท่ปริยญาตรีในชีวิตที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาก็18ปีรวมนั้งเรียนรุ้บาล้วยสิบสองปีสองในสามยอยู่ที่อาสังข์ชัญในชีวิตไปเรียนทุกประเวณีสองในสาก็ผูกพันกาบสังขชัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะลรับเกียรติให้เป็นอาสามชิกีเองจึงมีความสุขภาคุูใจไปทับใจมากเพราะว่าได้รับเพื่อให้มีสถานรับภาพ ที่ผูกพันกับโรงเรียนที่ัวเองนับถู ก, การที่มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยืน อ, อยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันมีความหมายสหรับตลดมากในด้านนี้เนี่ยก็ ย, อย้อนเรื่อไปถึงเมื่อ50ปีีแล้ว ว่ากนนะเพราะว่าสมัยที่อาตมายังอยู่ชั้นประถมตั้งแต่ป .1 ป .7 อาตมากับเพื่อนๆก็จะมายืนเท่าแถวตรงหน้าตึกซอยยิแรงซึ่งสมัยก่อนเป็นตึกเกา่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นลานรั้วอยู่นะแล้วก็ไม่มีตึกเส้นหรือแม้เลย ทุกเช้าก็จะมายือเข้าแถวเมื่อจุงเวลา8โมง20สำหรับเวลาั้นนี้เมื่อเรามาอยู่เข้าแถวเพื่อเตรียมเของเรียนเนี่ยหรือว่าก่องรถน้ำชาบรอเจอร์และมาสเซอร์ก็จะกำชับกำชาให้เราต้องยืนแถวตรงไม่ใช่ตรงแถวเรียนนะแจะต้องตรงเวลาด้วย8โมง20 พอเสียงประทังสงบเสียงในลานสวนนี้ก็จะเงียบก็จะเรียนเตรียมเข้าแถวตรงหน้าประตูก็จะมีมาสเตอร์แก่ๆใส่เสื้อยัด ก, ก๊อฟคอยเฝ้าประตูไว้เพื่อดูว่าใครมาเรียนสายสมัยนัย้นเนี่ยกกลเข้าแถวช้า มารเรีนสายเนี่ยถือว่าเป็นโทษต้องถูกลงโทษโดยไม่รู้ลั ว, วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันสอนให้อัตมารืเพื่อนเนี่ยมีวินัยมีระเบียบและตรงเวลา อยืนอยู่ตรงนี้เมื่อผ่านไป50ปีในฐาณะผู้ที่ได้รับเกียรติมีค่านอกจากจ ะ, ละรลึกุึงบรรยากาศเก่าๆที่ว่าอะไรก็ยังระ้ึต่อไปว่าสมัยที่ทศมายังเปนนัเรียนก็จะมีการเชิญสิ่งเกา่าที่มีชื่อเสียงบ้างไม่มีชื่อเสียงแต่นคุณธรรมมาเพื่อพูดคุย กับนักเรียนสมัยนั้นสมัยเด็กเป็นนักเรียนประถมมัธยมไม่เคยคาดคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปยืนอยู่จุดเดียวกับภสัาชนิดเหล่านั้นการที่ได้ไปยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับภาษาชนิดที่เกิดคุณด้านคุณงามความดีและความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดมา ก, ก่อน สมัยที่กเกิดเหตุและดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับเชิญให้มายืนอยู่ตรงจุดเดียวกับอัศจรรย์ชนดิดทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งธรรมาพระรบพระสูงมาเป็นรานาจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีเกียรติอยากก่ยอยางยิ่งมันไม่ใช่เพีเกียรติธรรมดามันมีเกียรติสำหรับเด็กและสำชันคนตัวเล็กๆคนตื่นซึ่งไม่เคยคิดว่าจะได้มายืนอยู่ตรงจุดเดียวกับท่านทั้งหลายเรา การที่ได้มาใช้ชีวิตเกือบ12ปีที่โรงเรียนสังชัญเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและก่อความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายกับปตามาเพราะคนเราเนี่ยชีวิตสำคัญอดูช่วงที่เป็นใบุ่นช่วงที่เริ่มก่อรูปสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็โชคดีที่ได้มาก่อรูปสร้างตัวตนขึ้นมาที่โรงเรียนสัมชัญเพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ย นอกจากจะให้าวความรู้แล้วก็ยังให้ยังกล่องเกา่าเรื่องที่นอกเหนือจากาวความรู้คือเรื่องคุณธรรมและระเบีออยบวินัยอย่างที่ได้พูดไปสักครู่ว่าสมัยที่ตอนเด็กเนี่ยแม้กระทั่งการเข้าแถวก็ต้องเข้าแถวอย่างเป็นระเบีออยบตรงเวลาแต่สัมชัญ ไ, ได้ให้เองเท่านั้นสัมชันก็ยังได้รอรอ ในเรื่องคุณธรรมโดยเพราะความซื่อสัตย์จริงศิทธิ์เก่าที่โรงเรียนเชิญมาโดยชอบในสมัยที่ท่านพระดาวิริยะอิปรตเดอรของเราเนี่ยเชิญมาจะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงก็ได้แต่รับรองได้ในเรื่องของคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์จริงถ้าวันนั้นเนี่ยการที่ได้เรียนรู้รับรู้เกี่ยวกับคุณธรรมของท่าน ก็เป็นตัวรอหลอมบ่มเพาะคุณธรรมต่างๆขึ้นมาในตัวสมาชิกเพื่อ ด, ด้วยและที่สําคัญกว่านั้นคือว่าคุณธรรมของท่านเบร์เดอร์เองตั้งแต่ Brother เบร์เดอร์ฝรั่งเช่นเบอร์เดอินแล่ย์ลงมาจนถึงเบร์เดอร์ที่เป็นคนไทยอยเช่นเบร์เดอร์หุยปราจาริยะารวมนักครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยซึ่งเป็นแบบอย่างของ ความเสสละความซื่อตรงไม่ยอมอ่อนข้อมไม่ยอมอ่อนข้อต่อเงินทองชื่อเสียงนักเรียนพ่อแม่จะรลยแค่ไหนเดรัฐธมนตรียินใหญ่ยังใดถ้าลูกทำผิดก็ถูกลงโทษไม่ต่างจากลูกของพ่อแม่ที่เป็นพารโลวนยากจน พ่อแม่จะใหญ่มาจากไหนถ้าท่านเรีนมาสายถ้าลูกมาสายก็ถูกครูลงโทรครูพ่อแม่จะมาอ้างที่สิทธิ์ว่าฉันเป็นรัฐมนตรีันเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ลูกฉั้นเนี่ยอย่าได้ถูกลงโทเนี่ยอันนี้มันไม่มีทําไม่ได้ในสมัยอสัมชัญเวลาทักครูบาอาจารย์ถ้าไม่สนใจว่าพ่อจะใหญ่จะรวยมาจากไหน ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกสิ่งเหล่านี้แหละที่ค่อยๆบอกองค์ารนะกอบคุณธรรมให้กับนักเรียนว่าต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักอย่าไปสยกยอมต่อชื่อเสียงสถานภาพความร่ำรวยคุณธรรมสำคัญกว่าทุกอาทิตก็ได้เป็นยืนอยู่ หรือไป น, นั่งในห้องประชุมล้วก็จะซึทรั์เอาคำของพระละือแลเป็นเวลาหลายปีจงตื่นเถิดเปิดตาความรู้เรียนคำพูคำพระเจ้าก้าพระยาเจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอยากรู้สิ่งเหนี้เนี่ยก็ช่วยทำเตือนใจให้เราได้สูนความสำนักคุณธรรมอย่าไปติดยึดกับ เสียงความมั่งมีความร่ำรวยซึ่งมันก็เป็นประโยชน์แต่เฉพาะโลกนี้แล้วก็ไม่ยัง่งยืนการที่เรนสัมชัญเนต่อกจากการที่ได้เรียนรู้รเรื่องเบืดองในคุณธรรมก็ยังเห็นความสำคัญของความภาคเกียรติ ย, ยามคำฝัญของสัมชัญที่จะมาซึรรมซั์อยู่มาตลอดนะพวกเราคงจำได้นะลาบออย่างยินชิดแปลว่าอะไร สมัยนั้นครูสอนว่าความเพียรชนะทุกสิ่งทุกอย่างความเพียรชนะทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ชาญสอนให้เรามีความภานเพี ย, ยรพิยาดูจับยู้ความเพียรของตัวทำการบ้านต้องทำด้วยตัวเองถ้าไปลอกก็ถูกลงโทษถ้าโกงถูกจับได้ก็ลงโทษ ต้องทําด้วยตัวเองต้องทําด้วยน้ำพัดน้ำแรงตัวเองอันนี้มันก็สอนให้เรารู้จักพึ่งความเก็นกลัวและเกิดความมั่นใจว่าความเพียรชนะทุกสิ่งทุกอย่างโดยพ่ออุปสรรคสิ่งเหล่า น, นี้แหละที่ได้ช่วยผมเขาสร้างตัวตนให้กับอาตมานอกจากให้ชาวความรู้และก็ะนั้นสุว่าสิ่งนี้สําคัญกว่าวิชาวความรู้ได้ซ้ำ ความรู้เนี่ยที่เราเรียนมาภายในสิปีมันจะล้าหลังไปประมาณสิรซความรู้ทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาภายในสิปีมันจะไม่มีประโยชน์อย่างน้อยส0ปร์เซ็นตสมัยจะมาเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนเราได้รู้มาว่าเมืองไทยเป็นประเทศส่งออกไม้สักดีบุกแลว้วก็ยางในความรู้นี้ ลืมไปได้แนละ้วเพราะมันไม่ใช่นะไเราไม่ได้ส่งของไมสักหรือที่บุญต่อไปใังความรู้แบบนี้เนี่ยภายใน10ปีมันจะล้าหลังไป 10% ผ่านไป20ปีมันจะล้าหลังไป 20% เหมือนกับโปรแกรม g e ที่ผ่านไป5ปีมันก็ล้าสมัยแต่คุณธรร ม, รรมรความซื่อสัต์สุจริตความภาพเูมิในยาความรู้จักอ่ามใจ มีระเบียบขึ้ในไม่เคยล้าัยังจำเป็นกับทุกยุสมัยเพราะฉะนั้นต่มาก็มีความหวังว่าสังังของเราในด้านในขาะที่เสริมสร้างสาบความรู้ากิเรียนก็ไม่ลืมที่จะเสริมสร้างวิชาชีิตคุณธรรมเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของวิชาชีิต สำคัญเพื่อ50ปิที่แล้วเนี่ยนอกจากสอนทราความรู้เพื่อเป็นัประอบอาชีพแล้วยังสอนวิชาพเพื่อไปดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและรศมาก็โชคดีที่ได้มาเป็นนักเรียนในสมัยที่ท่านพระราิริยมเป็นอธิการเพราะว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องการอพบรมพุณ ธ, ธรรม ไม่ใช่คุณธรรมด้วยการพูดการสอนแต่คุณธรรมจากแบบอย่างของสิทธ์เก่าดีเด่นหลายๆท่านที่ท่านเชิญมามาพูดในห้องประชุมบางปีก็จัดพิธีสักการเพื่อให้เราเรียนรู้จากสิทธิ์เก่าอาตมาจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์เก่าที่มีคุณธรรมมากมายซึ่งทุวันนี้ยังไม่ลืมเดืบางท่านก็มีชื่อเสียงเช่นพระยาทมารชิตน บางท่านหลายคนไม่รจักแล้วไม่อยาสลักนายกุพัฒน์นายชยนาอเดี๋ยวนี้คนสมัย น, นี้อจจะจาไม่ได้แต่สรบสิ่ก่ า, กายอย่างมาเนี่ยัยงระลึกนึกถึงเสมอเพราะท่านเป็นอยะกูลแห่งความซื่อสัตว์แห่งคุณธรรมแต่ที่ยังอาจจะยังรู้จักอยู่คืออาจารย์ป่วยพุ่มพักบอปีนี้ครบรอบร้อยปีหการท่าาทาอาจารย์โนรัฐบเป็นตระกูลแห่งความซื่อสัตสย์สุจริตและปีชาสามา ไม่ได้เก่งคนเดียวแต่มีความดีและคุณธรรมนอกจากไม่โกหกไม่ทรม่ขันแล้วยังกล้ายืนหยัดในความถูกต้องอะไรผิดก็ว่าผิดอะไรถูกก็ว่าถูกแม้ว่าจะขัดใจผู้มีอำนาจเช่นนายกรัฐมนตรีหรือว่าทหารที่เป็นระดับจอมพลก็ตามจะถูกไล่ออกทันก็ไม่หวั่นอยู่ับบ้าก จ, จนท่านก็ไม่พิจม เพราะท่านมีความสุขกับชีวิตชีวีง่ายพระท่านเป็นศิษย์คนสาคัญของบรณฑิติแลจะอุวมศัติปัจจุบันแต่สวัสดิ์ดีกว่ า, อ, าอย่างอื้อาจารย์บกเป็นพุทธนะั้นแต่ว่าท่านได้ยินคนคนุคทธธรรมเนี่ยจาบรณฑิเหานี้มากมายและตามาคิดว่าพรกศิษย์เก่าและก็ศิษย์ปัจจุบันก็รักกันอย่าลืมท่านเหล่านะั้น เรานัถ้าหลังนัง้นเพราะอะไเราลึกถึงเนี่ยเราจะซึมซับความดีของท่านการทำของท่านและพฤติกรรมของท่านเนี่ยเมื่อมันเข้าไปในใจเราไ่ทำให้เราอต้นไม้ที่ว่ ง, งต้นไม้สูงถ้าด้ามในลึมันก็โค่น ง, ง่ายได้โดยไม่ยากความรู้นั่นเนี่ยเปรียบเสมือนกับปีที่ทำให้นกเนี่ยสามารถเที่ยวบินไปได้ไกลแต่ไม่ได้สูง วิชาคมาเป็นสิปปที่ทําให้เราพออบลได้วไกว่างกายแต่าฉันไม่พอเราต้องมีคุณธรรมเพื่อทําให้เรามีความมั่นคงในจิตใจเหมือนรากที่ยึดต้นไม้อะไว้ไม่ให้คนแา้ใม่กลัวลมไม่บาดเจในใน็บอะไรเราโชคดีที่ว่าได้สติที่ทําให้เป็นศรพพัทธาหมอบดงในกว่างกายแล้วก็ได้ทั้งรากที่ช่วยยึดจิตใจให้มั่นคงจากที่นี่ เจอพอในทุกที่ท่านาพระยาวิทยาเบะเตอร์ลูนเนี่ยท่านได้ไปฏิิการเพราะฉนะเนี่ยนจึงอยากจะขอบคุณท่านไว้นัที่นี้รอกอูาบานแต่ก่เก่าซึ่งหลายท่านก็มาชื่นไมแล้วแล้วก็ขอบคุณาทางสมาคมาสำชัญสมาคมผู้ปกครองรูแล้วก็เพื่อนศิษย์เก่าทั้งหลายที่ เรื่องอาตมาเป็นอาสามสนิดเด่นที่จะยังมีอีกหลายท่านนะที่น่าจะดีเด่กว่าอาตมานะแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่รู้จักห้ือการที่ขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นรเดับมัธยมที่ได้ช่วยสอนทิชาความรู้เป็นแบบอย่างคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างมีความสุขและเกิเปดประโยชน์กับผู้อื่น แล้วก็หวังว่าคุณธรรมจะเป็นส่วนสำคัญของอสสาชัญในทศวรรษในศตวรรษต่อไปแล้วก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะเห็นความสำคัญของการที่จะมีคุณธรรมเพื่อเลี้รากอย่างลึกให้ชีวิตมัน่นคงแล้วก็ขอให้กลังใจกับทั้ง b ร o เด e r m มัสเ r มิสที่อยากสอนพยายามเป็นแบบอย่างในก า, าทณทำให้กับนักเรียนแม้จะมีประศัตด์แม้จะมีความยากลำบากและจะมีหรักดดัะมากมาขออนี้ก็ลังใจขอให้ทาต่อไปอาตมา ก, ก็ใช้เวลาสมควรก็ขออยู่ติดกังนี้ขอเจริญพร